ถ้าเราทำสมถะคือมุ่งให้สงบแต่ทำวิปัสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งให้สงบแต่มุ่งให้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังตั้งอยู่และอะไรกะดับไปเพราะนั้นในวิปัสนาเนี่ยต้องการเอาไตรักเป็นอารมณ์แต่ว่าการไตรักเนี่ยมีถึงสี่ชั้นใช่หมครับชั้นกายชั้นเวทนาชั้นจิตและชั้นอารมณ์ถ้าเราศึกษาใจรัก ในระดับแค่กายก็เป็นสมถะระดับเวทนาก็ยังเป็นสมถะอยู่แต่พอแต่ละขึ้นระดับจิตระดับอารมณ์เริ่มเป็นวิปสัสนาเพราะนั้นสมถะวิปสัสนานเนี่ยทำร่วมกันโดยตลอดใครบอกว่าคุณทําแต่สมถะไม่ทําวิปสัสนาเพราะนั้นพูดไม่ถูกนะครับเพราะสมถะมันมีสองอย่างหนึ่งสมถะแบบพุทธกับสมถะแบบพรามสมถะแบบพุทธหมายถึงว่ามันเอื้อต่อ ว, วิปสัสนานตามลําดับเช่นเอากายกับเวทนา เป็นอารมณ์อันนี้เป็นสมรรถ้าเอาจิตกับอารมณ์เป็นนิมิตเป็นนิพัสสนาอันนี้ต่างเกื้อหนุนกันนะครับบางครั้งเราเอากายเป็นนิมิตบางครั้งเอาใจเป็นนิมิตบางครั้งเอารูปเป็นนิมิตบางครั้งเป็นเอานามเเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสีในกายกับเวทนาเป็นรูปเนจิตกับอารมณ์เป็นนามนะหรือบางครั้งเป็นนามมารูป ไอ้รู้เนี่ยมันเป็นนามล้วนๆแต่ตัวจิตกับตัวอารมณ์เนี่ยบางครั้งเป็นนามล้วนๆครั้งก็เป็นนามรูปนะครับเพราะมาตามรู้กายกับเวทนาเป็นรูปนามเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมถะวิปัสนาลูกับนามรูปนามหรือรูปล้วนๆและนามล้วนๆเพราะฉะนั้นเรารในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติในระดับเป็นเรานั้นเราก็ต้องดู ทั้งสองอย่างให้ละเอียดในอารมณ์ลูกน้ำแต่ถ้าหากว่าเราทำเพลินๆไปวันๆโดยที่ไม่เห็นความแตกต่างแล้วเนี่ยพอเราไปนำเสนอไปบอกให้ผู้อื่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าอะไรไปเออทำาไปเหอะเดี๋ยวมันรู้เองไอ้คนมยังไม่คนปัจจุบันมีเหตุผลนะครับไอ้การที่จะรับอะไรไปทำสักอย่างมันต้องรู้ชัดๆลงไปว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าหากว่าคนมีศรัทธา เขาทำไปสักพักพอมันไม่เกิดปัญญาที่จะมารู้เข้าใจเลยเลี๋ยวมก็เลิกนะครับแต่ถ้าหากเราเชื่อเห็นอะไรเป็นอะไรปั๊บมันค่อยๆทําความเข้าใจไปค่อยๆทําไปแล้วค่อยๆเห็นปรากฏเห็นผลปรากฏไปตามลำดับมันก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นให้มันจะเกิดปัญญาก่อนคือค่อยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรปฏิบัติวิปัสนาหมายถึงว่าเอาทั้งเบื้องต้นเอารูปนามเป็นอารมณ์พอค่อยสู่วิปัสนาระดับสอง คือเอาตัวรู้เป็นอารมณ์ซึ่งเราใช้กายใช้เวทนาเป็นเครื่องมือนะไปที่ตั้งความรู้สึกเพราะมันง่ายดีเรื่องหนักเรื่องเบาเนี่ยก็ยังเป็นสมถะอยู่ใช่หมแต่การรู้สึกปรับหนักเบาเข้าไปสู่หนักเบาของกายไปเห็นความหนักเบาของจิตแล้วสามารถแยกหนักเบาออกจากจิตให้เหลือตัวรู้ล้วนๆมนเข้าสู่อารมณ์มิปัสนา แต่ซึ่งตรงนี้ค่อยทําความเข้าใจไปทําไปความความเข้าใจไปลักษณะสติแบบนี้เขาเรียกสติสัมพุทธชงไม่ใช่สติปฐานละถ้าเแยกเห็นไปนอย่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ปฏิบัติอยู่ในระดับสติปฐานคือสติแบบเป็นรูปเป็นนามคือในระดับสมถะแต่พอสติสัมพุทธชงเนี่ยมันจะนําไปสู่ธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือแยกให้เห็นสภาวะอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นนามรูปอะไรเป็นนามล้วนๆอะไรเป็นรูปล้วนๆ แล้วนามรูปเนี่ยมันยังอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่พอมาดาูรูปนามเป็นมาดูนามรูปคือดูความคิดดูอารมณ์เป็นมันก็จะแยกตัวอารมณ์ตัวตัวอารมณ์ออกตัวรู้ออกจากตัวรู้ตัวคิดออกจากตัวรู้มันก็จะกลายเป็นตัววิปัสนาหลุลวนตรงนั้นเดยธรรมวิจยะเราจะแยกให้เห็นถึงนามรูปรูปนามในจักกันแยกความคิด กับความรู้สึกอฉ ก, กันแยกกายกับเวทนาหเห็นชัดว่าอะไรเป็นกายอะไรเป็นเวทนากายกับเวทนาเป็นความรู้สึกทางกายจิตกับอารมณ์เป็นความรู้สึกทางจิตนะเมื่อเราปฏิบัติไปโดยจงกรมไปสังเกตไปสร้างจังหวะไปสังเกตไปศึกษาไปรอบแล้วรอบเล่าซ้ำไปซ้ำมามันก็จะเกิดทักษะเกิดความชำนิชำนาญถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นความก้าวหน้าไปแต่ละวันแต่ละวันไป แต่เราแยกอะไรไม่ไชัดเนี่ยแต่ละวันก็ผ่านไปได้ความสงบนิดๆหน่นนอยๆห้าวันเจ็ดวันได้อารมณ์เซนิดหนึ่งรู้สึกเบาสบายมันไม่คุ้มกันนะครับปฏิบัติตั้งนานแต่ได้อารมณ์นิดเดียวปั๊บมันก็หายไปละมันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราสามารถสัมผัสปีติได้ทุกวันยิ่งดีเลยรู้สึกเบาสบาย ป, ปลอดโปร่งแล้วความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเคยวุ่นวายเคยสับสนเคยง่วง เงาหาหนอมันเบาไปบางไปรู้สึกถึงความปร่งเบาสบายนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มันเป็นงานศึกษาและพิสูจน์เราจะต้องทำแบบวิปัสนาที่มีสติสัมโพชฌงค์และธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นเป็นตัวฐานเบื้องตน้นถ้าทำได้ถูกต้องความเบาที่เรียกว่าปีติแล้วทำให้เกิดความขยันอยากจะทำเรื่อยๆเป็น วิทยาสัมโพชงความเบาปร่งสบายตามมาเป็นปีติสัมโพชฌงก็ตามมาปัจสถานความสงบจิตความอิ่มเอิบจิตใจความสุขสงบจิตใจมันก็ตามมาเองแต่ความตั้งมั่นของอารมณ์ความปล่อยวางในอารมณ์ที่มากระทบได้ง่ายมันก็ตามมาเองอันนี้เป็นองค์ของู้ชงครับดังนั้นในในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะตอกย้าในช่วงเนี้ย ในช่วงสิบวันแรกดอกยำกลับไปกลับมาเรื่องอารมณ์เหล่านี้จูโกท่านทั้งหลายจะคุนแล้วก็สัมผัสได้จริงๆแล้วก็เห็นสภาวะนี้ได้โดยตัวเองจริงๆไม่ใช่มาเป็นสภาวะที่นึกตามที่ผมพูดนะครับแต่สภาวะที่ท่านไปทําแล้วสัมผัสได้ด้วยใจตนเองจริงๆไม่ใช่เป็นความจําแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากโดยที่ท่านได้พิสูจน์ตัวเองผมเห็นนักปฏิบัติของเราปฏิบัติห้าปีสิบปีอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเบื่อเบื่อยากอยากอารมณ์ขึ้นขลงๆ แล้วทําถ้าจะอไปติดออกไปข้างนอกตะเตลิดเปิดเปิงไป ท, งทั้งที่ประเดี๋ยวยิ่งนานมันน่าจะดียิ่งดีขึ้นนะครับแต่ยิ่งนานยิ่งยิ่งแย่ลงเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกละครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องม า, ามาศึกษาเริ่มต้นศึกษากันให้ถูกต้องอันไหนที่ศึกษาดีแล้วก็โอเคเก็บไ ว, ว้เป็นต้นทุนอันไหนที่มันมันไม่ถูกเราก็มาปรับอีกนิดหนึง่งนะครับ เพราะนั้นอยาอย่า ก, กลัวต่อการปรับเพราะเราจะต้องการเปลี่ยนตัวตัวตรัรักที่มันเป็นกฎกติกาของรูปทั้งหลายเนี่ยให้มันจํากัดอยู่แค่รูปจริงๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีปรสนาเข้าไปแยกไอ้ตัวตรัยรักของรูปมันจะเข้าไปสู่เป็นตรัรักของนามไอ้ตรัยรักของนามนี่เองมันจะก่อให้เกิดอพอใจไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาเปลี่ยนเป็น ใตรักของนามละแต่ถ้าเราศึกษาต่รักคงไว้ให้ลูกไม่ให้ไปดูไม่ให้ไปครปปอบงำถึงนามตัวนามที่ปรากฏเป็นตัวรู้มันก็จะเป็นใจสิขานะครับใจสิขาส่วนมันจะเป็นอย่างไรนี่ไยละเอียดตรงนี้ผมจะได้ลงลึกในวันต่อไป เ, อเรื่องนี้จึงอยากจะให้ลองลองพิจารณาตาม พอเราเดินนานเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกเกร็งรู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกล้าอันนั้นหมายความว่ามันถูกต้องแล้วเพราะมีาการปรับเปลี่ยนทดสอบหนักทดสอบเบาทดสอบผ่อนคลายหาวิธีแก้ไขเรื่อยๆส่วนใหญ่พอเราทําไปเต็มที่อืมชั่วโมงห้าชั่วโมงล้าแล้วอยากอยาพักแล้วไปคิดเรื่องอื่นละนั่นแสดงว่าทับทำผิดมาตลอด ถ้าทํามันทําถูกแล้วมันจะไม่ล้ามันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เบื่อเพราะฉะนั้นถ้ามีผลวันไหนมีผลเบื่อล้าเซ็งแล้หมายความว่าทําผิดมาตลอดเราจะต้องตั้งท่าแก้ไขใหม่เลื่อยไปทุกวันทุกวันุวันมันจะต้องมีถูกขึ้นมาวันหนึ่งแล้วเพราะนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งละเอียดประณีตสุขุมมันจะต้องใช้สติปัญญาจริงๆเราจะเอาตามความอยากตามศรัทธาเก่าๆเน้นผมว่ารับรองเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ได้ชื่อว่าปฏิบัติก็จริงแต่ว่าเมื่อเห็นความก้าวหน้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็เสียเวลาเหนื่อยเปล่านะครับผมไม่อยากแค่เป็นอย่างนั้นอย่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของของแต่ละท่านเนี่ยสามารถสัมผัสต่อการเปลี่ยนแปลงจริงจิเพราะต่อไปเราจะต้องเป็นครูอาจารย์คนหนึ่งแนะนําเพื่อนเพราะว่าเรามีอายุพรรษามากขึ้นคนที่มาพบค้าสมาคมรู้จักเราก็เข้าใจว่าเออเราบวชปฏิบัติมานานคงจะรู้อะไรดีๆคงจะแนะนําเราได้ เอาพอไปถามแล้วแนะนําไม่เป็นโลเป็นภยัยแนะนําอะไรไม่เข้าใจสับสนเพราะแสดงว่าสิ่งที่ท่านทํามาไม่ถูกถ้าท่าถ้าท่านเข้าใจถูกทําถูกมันจะต้องบอกกันได้สิเพราะว่ามันพิสูจน์ได้คําสอนพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องลับอะไรแต่เป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียดครับเพราะานั้นใครรู้สึกว่ามันมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องปรับแก้ใหม่นะ ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องนำมาทำเป็นประจตังรู้ใครรู้มันก็จริงนะครับแต่นี่ไงบทพิสูจน์คือมันอยู่ที่การแสดงออกการชี้นำการแบ่งปันแต่ถ้าเราเราจะไปติสมถะเพียงอย่างเดียวก็เสียเวลาเพราะสมถะปฏิบัติไม่ยากครับแต่ว่าเราจะไปเสียเวลากับมันทำไมไม่คุ้มกันสมถะที่เป็นไม่ใช่แบบพุทธนะแต่สมถะไมเป็นเป็นแบบพุทธคือเป็นสมถะที่ต้องทาตลอดเวลาคู่กับวิปัสนา อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอารมณ์ที่เราตามรู้กายกับเวทนาเป็นสมถะพอไปตามรู้จิตกับอารมณ์เป็นวิปัสนาแล้วเวลาจับตัวรู้ได้ชัดขึ้นชัดขึ้นวิปัสนาก็เปลี่ยนเป็นปรามัตดปรมัตดหมายถึงความรู้สึกตัวมันชัดของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปเติมไปแต่งไปอะไรมันแต่มันชัดแต่ชัดแบบเป็นตัวของมันเองนะไม่ชัดไม่ใช่ว่าเพ่ง ไม่ใช่าตอนไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติตความชัดก็หายไปตรงไหนปฏิบัติความชัดก็ปรากฏอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นประมาจาแล้วไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบหรือนอกรูปแบบความรู้สึกตัวชัดอยู่เสมอนั้นประมาจปรากฏละนะทีนี้เราจะทำไงให้มันชัดอยู่เสมอนั้นหมายความว่าจะอาศัยการดอกย้ําซ้ําทําซ้ำํำในการทําอยู่นั้นจึงเป็นนิสัยนะครับจะนิสัย Mr. Man, unfortunately, you are only one. <laughs> If you tired sometimes, uh, okay, I I try I try to share about this for you. We talk about uh, how to develop the energy of mindfulness to be stronger and stronger. How to transform the law of nature? When it, we mention about the l o w when we talk about the changing suffering. And non-self, changing or impermanent, the same thing. Suffering or imperfection, suffering or difficulty, suffering or hard, and suffering and unhappy. The same meaning we call suffering. Non-self, maybe we call a soullessness, soulless, soulless or non-self, non-being, non-abiding. Yeah, or non-substantial. We can we call another, a n i c h a Do s o m h Anatta. Changing, suffering, and non-self. The same meaning. How to aware of that? When you step down, touch the floor, you feel heavy. Okay. When you lift up your feet, you feel light. That the law of nature. So how you? Aware of such a heavy and light, heavy lightly and heavy lightly all the time. Don't attaches and at the same time don't ignore that. Just observe it, aware of that all the time, until you are, uh, you observe become more experienced, more skillful, become you r ah, uh, auto feeling, yeah. So that you try to repeat, keep repetition of the practice. Don't lazy. I try to practice and practice again, like uh, the monitor. They move all the time. Monitor when you uh, turn on the button, monitor move and generate the light. When generate stop, u n d the light are off by auto. The same thing. when you aware of your bodily movement or the light mental or enlight come up in your mind by by nature โอเาะังนั้นเมื่อเมื่อเราเข้าใจลักษณะอย่างนี้ไปทุวันทุวันแล้วเรารู้สึกถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติเออวันนี้รู้สึกทุกวันะไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันนี้ดีวันนี้ไม่ดีในแสดงว่าเราไม่เข้าใจกฎของมันถ้าเราเข้าใจกฎของมันเนี่ย เราบวกห้าห้าบวกห้าเป็นสิบมันก็ต้องเป็นสิบได้ทุกเวลาหละจะบวกตังไหนมันก็เป็นสิบนั่นหมายความมันถูกในอวันนี้บวกห้าบวกห้าเป็นสิบสองพรุ่งนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบเมื่อวันี้ห้าบวกห้าเป็นสิบแปดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมความว่าบางวันบวกผิดบางวันบถูกเพร Dynamic. วันนี้ได้อารมณ์วันนี้ไม่ได้อารมณ์ น, นี้แสดงว่าเมื่อแยบภายในการทำนะถ้าหากว่ามันมีผลออกมาเหมือนกันการทำทรก็ต้องเป็นลักษณะกฎเดียวกัน คือวันนี้ทําแล้วมันเบาพวกนี้ทําแบบเดียวกันมันก็บอกแบบเดียวกันแหละถ้าทำถูกนะวันนี้ทําแล้วรู้สึกเบาวันพวกนี้ทําแล้วทำไมมันหนักมันแสดงว่าวันนี้ที่มันหนักแสดงว่าทําผิดตลอดละก็ต้องแก้กับแก้จนสามารถที่จะให้มันผลออกมาแบบเดียวกันทุกวันค <ne> ือผลในทางที่เป็นบวกนะมันเลขว่าเมื่อห้าบวกห้ามันจะเป็นสิบเมื่อบวกที่แหนมก็สิบวกวันไหนก็สิบวกวันใดมันก็สิบมาแล้ว ไม่ใช่บวกเวลาหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งบวกเวลาหนึ่งเป็นอีกไม่ใช่นะครับอารมณ์กรรมาฐานเหมือนกันถ้ามันถูกต้องแล้วอย่าปฏิบัติตอนไหนมันก็ได้ผลออกมาเหมือนกันนะถ้าเป็นวิปัสสนาดังนั้นเวลาเรามานั่งปฏิบัติเนี่ยเราต้องการประสบการณ์ที่มันชัดเจนแต่เวลาเราจะรู้ออกจากที่นี่ไปเข้าห้องน้าไปตักข้าวไปหลับไปนอนไปแล้วก็ตามความรู้สึกตัวที่เราทำนาที่นี้มันก็ยังติดตามเราไปอยู่ทุกหนที่แห่ง ไม่เช่ขณะที่ทำนี่จราจำได้ดีเพราะลุกไปลืมแล้วนี่แสดงว่าไม่ใช่ล่ะแสดงว่าสติสมาธิแบบนั้นมันมันเป็นลักษณะของสมถะพอหยู่ทำแล้วหายเลยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้ามันเป็นวิปัสนาแล้วแม้เราอยู่ทําแล้วมันก็ยังทํางานได้อยู่นะครับทํางานได้อยู่อันนั้นก็อยากจะให้ศึกษาโดยแยกคายการลุกการนั่งการย่างการเดิน เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนทั่วไปไม่ต้องรู้อะไรก็ได้เขาบอกเป็นธรรมดาแต่สําหรับผู้ปฏิบัติวิปัสนาจะไม่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าคนคนหนึ่งถ้าจะพาะรูปเนี่ยมันจะมายืนเดินนั่งนอนมาพูดมาคิดมาได้ยินมาสัมผัสอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งแต่พ่อทาไมมันจึงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดได้ก็เพราะมันมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่านามเข้ามา เพราะนั้นการเคลื่อนไหวของรูกก็คือการเคลื่อนไหวของน้ำการเคลื่อนไหวของนาม <c oughs> การเคลือ่อนไหวของลูกเพราะฉะนั้นในสูตรของพุทธเถรวาทดูกายเห็นจิตนะครดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมัตต์ดูอริสัทินิพพานนี่ให้เขาปลูกเป็นคําช่วงสั้นๆเราอยากจะดูจิตก็ดูกายให้ชัดนะพอเราดูกายมันก็เห็นจิตนะพอไปเห็นจิตไปเห็นความคิด อ, อ๋เห็นธรรมละเห็นสภาวะธรรมเกิดดับตลอดเวลา ถ้าความคิดเก่าไม่เกิดความคิดใหม่ความคิดเก่าไม่ดับความคิดใหม่ ก, ก็เกิดไม่ได้ความนั่งเก่าไม่เกิดนั่งใหม่ก็ไม่ปรากฏลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไม่นะดูอาการเกิดดับลักษณะหยาบๆ อ, อย่างนี้ก่อนการที่จะไปสัมผัสการเกิดดับขั้นลยยะเอียดทก็เป็นไปไม่ได้อีกนะ <c oughs> ะฉะนั้นในช่วงภาคปฏิบัต เที่ยวนี้นะครับในช่วงส <c oughs> ิบวันแรกเนี่ยผมจะตอกย้ำเรื่องนี้จนกระทั่งว่าทุกคนจะต้องเข้าใจได้นะแต่ว่าเว้นแต่บางคนเกิดอคติไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เชื่อฟัง <c oughs> ไม่อยากทำด้วยอะไรนี้ก็ก็ไม่สามารถประกันผลได้นะครับแต่ถ้าเราไหนไหนมาแล้วมาเพื่อการศึกษามาเพื่อการทำความเข้าใจจะต้องมีความรักความคารพในการกระทามันก็จะเห็นผลชัดเจน ด้า น, นเวลาแยกไปทําใครทํามันผมก็ไม่ได้ไปตามรบกวนนะปล่อยให้เป็นสิทธิของแต่ละท่านที่จะรับผิดชอบตนเองแต่ในช่วงเช้าช่วงเย็นอาถ้เมื่อประมามารวมกันแล้วอผมนําเสนอประเด็นแล้วก็ท่านไปปฏิบัติมาทั้งวันนะท่านจะต้องมีประเด็นต้องถามแล้นะสิ่งที่ทําไปเนี่ยสิ่งไหนเข้าใจสิ่งไหนเข้าใจทําแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพระนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านไม่กล้าถามเองก็ท่านเขียนเป็นโน้ตมาให้ผมในแต่ละวันเพราะแต่ละคนมีปากกามีกระดาษอยู่แล้วนะเขียนเป็นโน้ตส้นสั้นมานะถ้าไม่ถ้าเกงว่ามาเนี่ยมันลืมประเด็นที่จะถามไอ้ตอนที่ปฏิบัติอยู่มันสงสัยว่าเอ๊ะไปยังก็จดเอาไว้ก็ได้ครับเพื่อความก้ า, าวหน้าของการปฏิบัติเราจะนเป็นการเรียนรู้เป็นกระบวนการมีมีทั้งสุขคือฟังจิ พิจารณาปุการซักใส้ไล่เดียงแต่ถามลิเมื่อถามเข้าใจแล้วต้องต้องนำไปจดจำนำไปปฏิบัตินะสุจีปุรินะกฎกติกาของการเรียนรู้ไม่ว่าส่วนที่เป็นรูปธรรมนำมาทำนะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวนี้ผมคิดว่าเราได้สัปเะดีทุกอย่างตามที่เราได้บอกกันไม่ว่าเรื่องอาหารสถานที่ เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็บริญญาการก็เงียบนะครับไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็ชาวบ้านญาติโยมก็ตามมาบริการอย่างดีเป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นจะไม่อยากให้เสียเวลาไปเพราะเรื่องอื่นนะครับเรื่องอย่ไปเอาแต่ความสงบไปเอความเงียบสบายโดยที่ไม่เกิดปัญญาก็ไม่อยากให้เสียเวลาเพนะราะอยอยู่ลำพังจะอยู่ให้สงบสบายจะ อ, อยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ถ้ามันไม่เกิดปัญญามันไม่คุ้มกันเพราะตัวปัญญาคือเป็นตัวที่เราจะต้องนําไปใช้นะครับตัวสงบไม่สงบมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะนํามาใช้ได้ตลอดเวลานะเราก็เอาผลที่มันเป็นตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาระแก่นสารของการปฏิบัติดังนั้นเองก็วันนี้ที่เราได้ทดสอบกัน ยืนการเดินการนั่งแน่นอนว่าการยืนก <c oughs> ็จะหนักกว่าการเดินการเดินการยืนเท่าหนักกว่าการระหว่างการยืนกับการนั่งเ น, นี่ยอันไหนหนักกว่ากันครับอันไหนรู้สึกทนยากกว่ากันนั่งครับฮะนั่ ง, ง ย, น ย, งยนนืนนี่สบายกว่าใช่ไหมระหว่างยืนก็เดินอันไหนสบายกว่าเดินครับอ่าเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเดินสบายกว่าเพราะอะไร ได้เพื่อนเื่อนไหมครับเพื่อนใหมได้เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันสอดคล้องกับกฎของนิังใช่หมจะยืนมันสบายน้อยกว่าเพราะอะไรระหว่างยืนกับนั่งอันไหนรู้สึกสบายอันไหนรู้สึกไม่สบายระหว่างยืนกับนั่งยืนยืนสบายยืนสบายกว่าเลยระหว่างยืนกับนั่งเนี่ยอันไหนสามารถ รักษาได้ทํำได้ยาวกว่าทําได้นานกว่ารล้วว่าก็ยืนกับนั่งนั่งครับสามารถได้ได้ได้นานกว่าครับนั่นก็แสดงว่านั่งสบายกว่ายืนเมื่อกีท่านบอกว่ายืนสบายกว่านั่งเนี่ยเอออย่าสับสนนะใช่ไหมครับถามว่าระหว่างนั่งกับยืนเนี่ยอันไรสบายกว่าถ้าสิ่งไหนมันสบายกว่าจะต้องทําสิ่งนั้นได้นานใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าเออนั่งสบายกว่าแต่พ่ายืน อสบายกว่าไม่ได้พยืนไม่ได้ไม่นานเสด็จมันไม่สบายอ่าเพราะนั่นก็ต้องเหตุผลมันมันต้องลงตัวกันนะมันงับไริขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะยืนเนี่ยน้ําหนักมันลงที่เดียวคือเท้าใช่ไหมแต่พอเรานั่งเนี่ยน้ําหนักมันขยายฐานรับน้ําหนักมันกว้างกว่าพอฐานน้ำหนักมันกว้างกว่าไอ้น้ำหนักมันก็จะไม่ไปทับท่อเลือดลงของเราให้ตีบตันทันที การต้านมันก็จะมีน้อยเพราะเลือดลมยังไหลได้สบายอยู่เพราะอะไรฐานรับมันกว้างแต่ยืนเนี่ยฐานรับน้ําหนักมันแคบใช่ไหมคือแค่ฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็ไปลงสมมติน้ําหนักละห้าสิบกิโลมันก็ไปทับค้างละยี่สิบห้าโลดังนั้นที่ผ้ารวมมันไปทับท่อเนี่ยมันก็จะตีบตันมากกว่านั่งนั่งเนี่ยมันก็กระจายไปหลายจุดแต่แล้วจะนั่งท่าไหนนะถ้านั่งท่านี้บานทีอาจจะมันไม่เบาเหมือนนั่งธรรมดาแล้วใช่ไหม พอฐานดับหนักหนักมันแคบกว่าคือแคบไปครับเพราะฉะนั้นต้องดูอาการหนักอาการเบามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นะครับมันจะต้องมีเหตุผลให้หนักให้เบาแต่ต้องสอบหาให้ได้ว่าเพราะอะไรมาจึงหนักเพราะอะไรจึงเบาแล้วก็ปรับตามความเหมาะสมของมันแล้วมันก็จะได้นั่นคือตัวเขาเรียกธรรมวิจยะธรรมวิจยะก่อให้เกิดโยนิสุมาลสิการคือตัวปัญญาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ทํ า, ทาไปแค่หนักแค่เบาแค่สบายไม่สบายเป็นมันไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นเล่นะแล้วปฏิบัติไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงนั่งมันมันมีง่วงง่ ว, งวยหรอืเอเานะอนนพรเราเพลินนะเพรามันสบายเกินไปมันเพลินแต่นั่งแบบนี้จะเพลินไหมนั่งอย่างงี้ง่วงไหมไม่ไม่แต่ว่าเวลาง่วงไม่นั่งแบบนี้สักทีเลยใช่ไหมแต่ผมไม่อเวลาง่วงมาผมก็ลุกขึ้นนั่งแบบนี้ง่วงก็หายแล้วนี่แต่ว่าเราก็นั่งแช่อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเดิมมันง่วนะ พ้เพลินสบายทําให้เพลินไม่สบายทําให้เผลอเพลินทําให้ง่วงเพลินทำให้ขี้เกียจแต่ว่าถ้าเผลอเนี่ยทําให้คิดทําให้เบื่อถามว่าไอ้เบื่อเพราะอะไรจึงเบื่ออ๋อเพราะเราเผลอนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สืบค้นหาเหตุผลต้นปลายเพราะไม่ไ ม, ไมีอะไรเกิดโดยบังเอิญต้องมีที่ไปที่มาไอ้ตัวสอบถามสอบหาที่ไปที่มาแล้วแก้ไขตัวนั้นเป็นตัววิปัสนา นะถ้าเรานั่งแช่นั่งเพลินอยู่นั่นเป็นตัวสมถเพราะว่าเราไม่รู้จักที่ไปที่มานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเอาบทเรียนนี้ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องอไปซ้อมทําดูแล้วก็ขอให้แต่ละท่านได้มีการบันทึกไว้ก็ดีนะครับว่าวันนี้เราทําอะไรแค่ไหนแล้วตอนเย็นนำมาถาม แล้วก็นำไปบันทึกว่าตอบว่ายัางไงแล้วเอาไว้แก้ไขถูกไหมอยากจะให้ศึกษาเป็นกระบวนการขั้นตอนไม่ใช่เพลินวันวันวั น, ว น, วนจาอะไรไม่ได้เกาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยุค ข, ของการที่ว่ามีการแบ่งปันเพราะเราไม่ได้หวังเพียงเพราะเราสบายเท่านั้นเออถ้าเราสบายแล้วก็อยากแบ่งปันความสบายนี้ให้เป็นอะไรล่ะนะเป็นผลให้ตอบสนองเพราะเราอยู่ด้วยปัจจัยสีของผู้อื่น คนเขาเจะต้องได้รับผลบุญกุศลนี้ไม่ใช่ว่าเราได้รับปัจจัยสี่เขาจะเป็นบุญกุศลโดยอัตมัติมันก็ไม่ใช่นะครับไม่สมเหตุสมผลโดยที่เขาได้รับบุญกุศลจะเราเพราะว่าหลังจากเราได้รับปัจจัยสี่จากเขาแล้วเราเอามาปฏิบัติเกิดฉดิปัญญาแล้วเอาสิ่งที่ปัญฉติปัญญาของเราเนะี่ยไปบอกไปแนะนําเขาให้เขาได้ทําอย่างที่เราทํานั่นบุญกุศลเกิดที่สมเหตุสมผลนะครับ เขาก็ได้บุญกุศลเพราะเขาได้มาถวายปัจจัยสี่ถวายความสะดวกสบายแกเราแล้วได้รับธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเราแล้วเขานําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกสบายอย่างเราเป็นนี่เขาก็ได้ได้บุญกุศลนะอันนี้ก็เริมีการแบ่งปันมีการทดแทนตามกฎของธรรมชาติดังนั้นเราก็หวังว่าแต่ละทางจะมีความมุ่งมั่นนะครับ ในการศึกษาเรื่องนี้สำหรับผมนั้นก็ภาวณาไว้ว่าเจอที่ไหนถามที่นั่นสงสัยที่ไหนถามที่นั่นได้เลยพู ม, มาเพื่อเพื่องานที่เราจะมาช่วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขอร้องก็คือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปพูดคุยกันให้เสียเวลาเลือกไปทาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้กำหนดรู้นะจะทำอะไรก็ขอให้ได้กำหนดรู้ให้รู้สึกตัวชัดชัดด้วยนะ ความรู้สึกตัวชัดก็จะบอกเราว่าสิ่งที่เราทำนี้ควรหรือไม่ควรนะเหมาะหรือไม่เหมาะมันจะบอกเราเองแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดรู้อย่างนี้ไปก่อนมันก็ทำไปเรื่อยเปื่อยบางทีสิ่งนั้นก็ทำให้เราเสียเวลาและทำให้คนอื่นเสียเวลาได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรกฎกติกาอะไรที่เข้มงวดเนี่ยแต่ขอให้เราอยู่ในช่วงของการศึกษาท้งสมถะวิปัสสนาเพราะปัจจุบันนี้เรา อ่ในฐานะพระสงฆ์นักบวชเนี่ยก็ได้รับการเพ่งเล็งเพ่งเล็งว่าเราทําอะไรให้กับสังคมได้บ้างสังคมเริ่มรู้สึกว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่เป็นประโยชน์ะเขาจะโลทิ้งละบบนี่น้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องแสดงเห็นว่าความบทเป็นพระในพุทธศาสนามันมีประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างไรได้บ้าง เ, เราก็ต้องศึกษาแหละครับเราจะมั่วเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้ละนะก็ะศึกษาเป็นขั้นเป็นตอน ผมเองนั่นเรื่องศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่พอสสมยร้ยี่สิบไปด้มานะครับถึงปัจจุบันเนี่สี่ิปีคิดว่ามีความผ่านประสบการณ์ถูกผิดดีไม่ดีมาพอที่จะมาบอกท่านได้ว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่นะก็ขอนุโมทานาสำหรับเย็นนี้นะเรากลับพระแล้วก็ไปปฏิบัติอีกสักพักสามทุ่มเราค่อยพักกันกลับรพะพร้อมกันครับ